เดือนนี้หลวงพ่อเข้ากรุงเทพสามวันอาทิตย์น่ะสามครั้งนั้นเดือนที่สั้นที่สุดแต่ไปกรุงเทพบ่อยที่สุดเว้นอาทินี้อาทิตย์เดียวของเดือนนี้อาทิตย์ก่อนเทนบ้านจิตสบายอาทิตย์หน้าที่ราชมงคลบพิตพิมุก อีกงานหนึ่งทิศปลายเดือนนะไปมศทแชทเดือนนี้รับเทศจริงๆรับสองแห่งนะของบ้านจิตสบายสามเดือนครั้งหนึ่งของมูนิธีเดือนละครั้งเดือนนี้มีพิเศษมีของกาลยานธรรมช่วยเขาหน่อย หลวงพ่อไปข้างนอกน้นเห็นคนที่ภาวนาเขาดูยู u b e ฟังซีดีหลวงพ่อประโมทมาสส่วนสันนิธรรมต้องระบูดเดี๋ยวมันดู youtube อะไรก็ไม่รู้นะภาวนาเป็นเลยเยอะเลยภาวนาดีเยอะเลยยิ่งชาวบ้านชาวบ้านนะ่ชีวิตเขาลำบาก เขาฟังแล้วเขาก็ภาวนาไปเรื่อยๆบางคนเป็นโรคโรคอย่างน้นโรคอย่างนี้โรคมันเยอะไม่สบายภาวนาก็ไม่แปลกอะไรในโรคอื่นๆมีโรคซึมเศร้าหายด้วยนะมีแปลกคงไม่หายขาดหรอกแต่ว่าทุเราลง เพราะจิตใจมันไม่ซึมเศร้าเสละเพราะมันจะซึมมันจะเศร้าดูเข้าไปมันหายนี่เป็นผลงานของทีมงานหลวงพ่อนะพวกทำซีดีทำวิดีโอพวกทำเว็บนะทำเว็บนั่งอยู่เนี้ยแต่เขาบอกไม่กลอบพอแสดงตัวเดี๋ยวโดนเก็บ พวกเราขยันภาวนานะเราก็จะได้ของดีขี้เกียจภาวนาใช้ไม่ได้แต่ก่อนจะขยันภาวนาต้องภาวนาให้ถูกก่อนภาวนาผิดนะยิ่งขยันเนี่ยยิ่งไปไกลคนในโลกน่าสงสารเยอะเลยเขาไม่มีโอกาสฟังธรรมเมื่อไม่มีโอกาสฟังธรรมมันไม่รู้ วิธีที่จะปฏิบัติอย่างคนนับถือศาสนาในโลกก็มีพอสมควรน้ามันก็ยิงน้อยลงน้อยลงคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยก็เยอะขึ้นพวกไม่นับถือศาสนาเนี่ยถ้ามารู้จกักพุทธนะจะเป็นพุทธ จริงๆศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาในความหมายของฝรั่งเราไม่มีพระเจ้าไม่มีใครมากำหนดนชีวิตของเรานะเรากำหนดของเราเองเราพัฒนาตัวเองได้พุทธศาสนามันมีลักษณะของความเป็นศาสตร์มากกว่าศาสนาศาสตระ คืสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ต้องเชื่อแต่ศาสตร์บางอย่างก็ใช้เชื่อเอาเรียกว่าใสยศาสตร์ถ้าเป็นพุทธศาสต ร, ร์ไม่ต้องเชื่อพิสูจน์เอาในอนาคตถ้าจะเหลือศาสนาอยู่นะโดยที่ให้อิสระไม่บังคับแล้ว ก, ก็จะเหลือศาสนาพุทธ ว่าความจริงยังไงก็เป็นความจริงศา ส, สนาพุทธตอบโจทย์อยู่ข้อเดียวไม่ตอบว่าใครสร้างโลกไม่ตอบว่ามนุษย์มีกรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษจริงไมมจริงไม่ตอบเรื่องอื่นๆเลยศา ส, สนาพุทธตอบอยู่เรื่องเดียวว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ต้องการแค่นี้เอง มีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์มันดีไหมถึงเปลือกนอกนะจะนับถือศาสนาอื่นแต่ถ้ารู้าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ทุกข์หรอกเป็นคําตอบโดยตรงเลยนะศาสนาพุทธเนะี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําตอบโดยตรงเลยว่าเรามีวิธีปฏิบัติยังไงเราจะไม่ทุกข์ เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ต้องเชื่อแล้วศาสตร์อันนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสตร์แห่งความทุกข์กับศาสตร์แห่งความพ้นทุกขนะ์นี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าเพียงแต่เข้ามาค้นพบมันเหมือนนักฟิสิกส์ทั้งหลายะกฎของฟิสิกส์มันมีอยู่แล้วนักฟิสิกส์มันตามมาพิสูจน์เท่านั้นเองตามมาค้นพบ อย่างพบอนุภาคฮิกอะไรต่ออะไรนะมีใหม่หมๆอยู่เรื่อยๆแต่ศาสตร์แห่งความพ้นทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบนันเราก็ต้องให้เกียรติให้เกียรติพระพุทธเจ้าหรออย่างคนาศาสนาอื่นจะเรียนาศาสนาพุทธก็ได้ไม่ได้ห่วงห้ามเพราะมันเป็นสามคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดครองเป็นเจ้าของแต่เราก็ต้องให้เกียรติท่านในฐานะผู้คนพบ พระทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่สามารถบันดาลอะไรให้เราได้สักอย่างเดียวนะแต่ท่านสอนวิธีที่ทำให้เราหายโง่คนมีความทุกข์เพราะโง่ไม่เพราะอย่างอื่นเลยวิธีที่จะไม่โง่ก็คือเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นโลกเมื่อเช้าบอกแล้วคือรูปนามกายใจ เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเราหายโง่ตอนนี้มันโง่ยังไงตอนนี้มันเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่โง่นะตอนนี้มันเห็นว่าจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่ยังโง่อยู่เพราะกายกับใจมันมีทุกข์กับสุขเนี่ยเราจะเกิดความหิวโหยความสุขเราจะเกิดความชิงชังความทุกข์ ทันทีที่อยากได้ความสุขใจก็ดิ้นรนใจก็เสียอิสรภาพตกเป็นเหยื่อของความสุขหิวโหยความสุขพอเราไปเห็นความทุกข์เข้าใจก็ดิ้นรนอยากหนีมันหนีได้ไหมความทุกข์ในร่างกายเงี้ยความแก่ความเจ็บความตายหนีได้ไหมบางคนบอกว่าก็ฆ่า ต, ตัวตายไปสิฆ่าตัวตายก็ไม่พ้นหรอกนะ นึกว่าพ้นไม่จริงหรอกตอนนั้นลงพ่อยังไม่บวชบ้านเป็นแ่าเฮานะซื้อซื้อไวงั้นแหละไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้ในใครเขาก็ซื้อเราก็ซื้อบ้างบ้านก็มีอยู่แล้วนะแต่เรื่องไปซื้ออีกจะเป็นภาระคืนหนึ่งนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ ไีินเสียงเดินผ่านหน้าบ้านเราก็ส่งจิตออกไปดูเมีผู้หญิงบ้านถัดไปสี่ห้าห้องเนี่ยเดินร้องไห้ยอยูนะ่เดินจากทางบ้านเขาจะออกจากหมู่บ้านเท้าเขาลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งเดินไม่ติดดินนะเรียกว่าพวกไม่ติดดินนะพวกเราต้องติดดินนะ <c oughs> เนี่ยเดินไปเราก็เอาเป็นไรไปแล้วตอนเช้าๆช้าสายสายคนเขาโวยวายว่าผู้หญิงใ น, นบ้านนี้ปูกขอตายไปแล้วที่ผูกขอตายเพราะว่าจะอยากได้ซื้อบ้านอยากซื้อเทาเฮานี่นแหละสามีเขาบอกว่ารายได้มันไม่พอหรอกยังไม่ยอมจะเอาให้ได้ สามีก็ตามใจเอาก็เาสุดท้ายบ้านถูกธนาคารยึดสามีก็โกรธ ว, ว่าเอาเงินไปหมดเลยสามีก็หนีไปทิ้งคนนี้ก็ทุกข์มากต้อคิดว่าทำยังไงจะหายทุกข์ก็ฆ่าตัวตายแล้วจะได้หายทุกข์จริงๆไม่หายหรอกยิ่งทุกข์นานกว่าเก่าอีกเงิเกิดอะไรขึ้นอย่าฆ่าตัวตายนะ อย่าไปฆ่าตัวตายมันถูกหนานกว่าเก่าอีกลงภาวนานะมีหูมีตาขึ้นมาจะรู้ว่าวัตตะเนี่ยน่ากลัวจริงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะมีเกิดมีตายสืบเนื่องกันไปแล้วเป็นไปตามกรรมไม่มีใครลิขิตเลยไม่มีใครมากําหนดว่ายายคนนี้จะต้องฆ่าตัวตายแต่ยายคนนี้กําหนดเอาเองเริ่มต้นด้วยจากโลภอยากได้ของจนเกินฐานะ สุดท้ายจบด้วยโธสะนะเพราะว่าไม่ได้อย่างที่หวังสูญเสียสิ่งที่เคยมีเ ส, ยเสียครอบครัวไปเสียเงินเก็บทั้งหมดไปเนี่ยมันมาจากกิเลสนะแล้วก็หมุนไปตามอำนาจของกิเลสเราจะมาเรียนนะเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์ให้ได้ อย่างพวกเราหลายคนภาวนาขันมันแยกออกมาขันมันแยกหมายถึงว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกจากกันแล้วความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายกับจิตใจก็แยกออกจากกันอีกแยกออกเป็นส่วนๆคำว่าส่วนเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าคำว่าขันเคยได้ยินไหมขันห้าขันห้าก็คือห้าส่วน ส่วนคือตัว division นะเป็นส่วนๆมีห้าส่วนที่ประกอบเป็นเป็นตัวเราในส่วนของรู ป, ปรธรรมประกอบด้วยธาตุจำนวนมากนะมีาธาตุสนะีตั้งอยู่ในช่องว่างหรืออากาศสาธาตมีรู ป, ปรธรรมจำนวนมากนะประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราประมาณ27ิดชนิดอันะนี้เป็นรูปในแบบ ศา ส, สนาพุทธนะแยกแบบศาสนาพุทธไม่ได้แยกแบบธาตุทางเคมีตัวนมามธรรมนี้มีทั้งหมดห้าสิบสามตัวห้าสิบสามตัวตัวหนึ่งคือตัวจิตอีกห้าสิบสองตัวเป็นสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิตจิตคือสภาวะที่รู้อารมณ์ หน้าที่ของจิตคือรู้อารมณ์นี่หน้าที่หลักเลยส่วนจิตจะดีจิตจะชั่วจิตจะสุขจิตจะทุกข์มันเกิดจากสิ่งซึ่งผสมเขม้ามาในจิตภาษาบาลีเรียกเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนจิตเป็นคนรู้เนี่ยแต่ไม่ได้รู้เฉยๆในขณะที่รู้นะมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความเฉยๆบ้าง ตัวสุขทุกข์เฉยๆเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งก็นะมีเจตสิกอื่นๆอีกความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหูนะ่ความดีอย่าง ส, สตนะิปัญญาอนะไรเงี้ยพวกนี้เป็นความดีวิริยนะเป็นองค์ประกอบของความดีด้านดีอย่างบางครั้งจิตเราก็ขี้เกียจ ร, รู้สึกไหม บางครั้งจิตเราก็ขยันภาวนาเนี่ยทำไมมันขี้เกียจทำไมมันขยันเพราะว่ามันมันถูกปุูแต่งด้วยความขี้เกียจมันถูกปุูแต่งด้วยความขยันแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญขีนะ้เกียจเกิดขึ้นจะเห็นเลยความขี้เกียจไม่ใช่จิตความขี้เกียจเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาคือเป็นเจตสิกที่แปลกปลอมเข้ามาความขยัน ก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเหมือนกันทั้งกุศลทั้งองกุศลทั้งสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตเกิดร่วมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมๆกับจิตดวงนั้นอย่างจิตดวงที่โกรธเนี่ยมันก็เกิดร่วมกับความโกรธพอจิตที่โกรธ ด, ดับความโกรธก็ดับมันจะเกิดดับพร้อมกัน ให้เราจะค่อยๆมาหัดมาเรียนมารู้มาดูความจริงนะความจริงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยแต่อยู่ที่ตัวเราเองคนเดียวนี้แหละมาเรียนรู้อยู่ดูไปเรื่อยๆอย่างถ้าเราหัดดูกายนะเราก็เห็นนะร่างกายหายใจออกเป็นของถูกรู้ร่างกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้อย่างขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอยู่เป็นของถูกรู้นะรู้สึกไหมว่าร่างกายนั่ง ต้องทําอะไรพิเศษไหมเพื่อจะรู้ว่าร่างกายนั่งต้องวางฟอร์มไหมเอาละแล้วมาดูเนี่ยร่างกายนั่งงี่งเงานะยิ้งเงาพูดแบบนุ่มนวลเพราะภาษามันแรงเนะี่ยความงี่งเงามากๆเลยขนาดนี้นั่งอยู่แล้วก็เห็นไปเลยสิว่าร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดู ไปหัดดูเหอะอะไรที่ถูกรู้อันนั้นไม่ใช่เราสักอย่างเดียวเลยนะความเป็นเราจริงๆไม่มีหรอกมันคือความหลงความหลงผิดการหมายรู้ผิดการคิดผิดการเชื่อผิดสามผิดซ้อนกันหมายรู้ผิดเรียกว่าสัญญาวิปลาสนะอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของสวยของงามเราหมายรู้ผิดว่าสวยว่างามนะร่างกายนี้ไม่เที่ยง เราหมายรู้ว่าเที่ยง้องไปดูรูปสิเราจะเห็นว่ารูปแต่ก่อนกับรูปอย่างนี้ไม่เหมือนกันร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราคิดว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างที่จริงมันทุกข์เมือ่อแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไรทุกข์น้อยก็รู้สึกว่าเป็นสุขเมื่อไรทุกข์มากก็ยอมรับว่าเป็นทุกขนะ์ ร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงจุดหนึ่งต้องคืนโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่คือความจริงที่สอนอยู่ในร่างกายถ้าใจยอมรับความจริงได้นะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นเป็นของที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนถ้าใจรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าหายโง่ พอเราหายโง่ในเรื่องของร่างกายนะเราก็จะไม่มีเกิดความรู้สึกอยากเกี่ยวกับร่างกายขึ้นมาความอยากเกี่ยวกับร่างกายไม่ใช่อยากกินข้าวนะเพรนั้นหิวข้าวเป็ น, นกลไกของร่างกายปกติแต่นี้หมายถึงความอยากของใจความอยากตามกิเลสตัณหาอย่างเราอยากให้ร่างกายเป็นสุขตลอดไปอยากให้มันเป็นหนุ่มสาวตลอดไม่ยอมแก่อย่างเงี้มันโง่ไหมแก่แล้วกลุ่ม ใครเคยรู้สึกแก่แล้วกลุ่มยกมือให้ดูนะ่ผมงอกครั้งแรกรู้สึกเป็นไงโอ้ดีจังเลยมีบุญอยู่มาจนผมงอเนี่ยตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกไงพอมันเยินไปทั้งหน้านะทำใจได้แล้วนะขึ้นอันแรกเนี่ยโอ้เนี่ยใต้ตาเนี่ยชักจะหนาๆขึ้นมานะเป็นหลอนขึ้นมาใต้ตาเนี่ย นะยอมรับไม่ได้นะจะทุกข์นะเดีถ้าเรารู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาต้องแก่เวลาเจ็บไข้ขึ้นมาก็ธรรมดาต้องเจ็บไข้ไม่ใช่สวยนะโอ้สวยยงไงดวงไม่ดีเคราะห์ไม่ดนะีเทวดาไม่ช่วยเนี่ยนะทำให้เจ็บป่วยนี่มันผ่านแบบหมาบ้านะารวามสมั่วซั่วไปหมดนะั้น จริงๆร่างกายมันก็ต้องเจ็บป่วยนะมันเป็นของไม่ยั่งยืนมันจะตายเวลาเราจะตายเราจะรู้สึกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างพอเสียชีวิตเราจะเสียทุกอย่างไหมเหลือแต่บุญกับบาปนะนอกนั้เสียไปหมดเลยของโลกทรัพย์สินของเราตอนนี้เป็นของเราใช่ไหมพอเราตายปุ๊บเป็นของคนอื่นแล้วบางคนยังไม่ทันตายทรัพย์สินก็เป็นของคนอื่นไปลว เป็นของธนาคารไปหมดอะไรเงี้ยยึดไปหมดแล้วภรรยาเราตอนนี้เป็นภรรยาเรานะพอเราตายปุ๊บไปเป็นภรรยาคนอื่นก็ได้หรือเป็นแม่ไม้เฉยเฉยก็ได้นะแล้วแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติของเราอย่างเรามีลูกลูกของเรา พอลูกโตขึ้นเป็นใบรุ่นเท่านั้นมันไม่ใช่ลูกของเราแล้วมันเป็นลูกของเพื่อนมันไม่ใช่ลูกของเราต่อไปแล้วเป็นลูกของเพื่อนมันต่อไปก็เป็นลูกเป็นเป็นสามีนะมันเป็นลูกที่เป็นกายเป็นสามีของคนอื่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ลูกของเราอีกแล้วใช่ไหม <laughs> พวกมีลูก ได้สู้กับรูปอุตรุดเลยงั้นเรามาภาวนานะมาเรียนรู้ความจริงลงไปแล้วจะเจอว่าไอ้ของที่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอะไม่แน่นอนหรอกไม่มีหรอกของที่เป็นตัวเราของเราถาวรไปเฝ้ารู้เฝ้าดูของเคยมีวันหนึ่งก็ไม่มีของเคยเป็นวันหนึ่งก็ไม่เป็นนะอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง ถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้เราจะไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ยิ่งถ้ารู้มาถึงจิตถึงใจนะจะเห็นเลยทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเคยมีเคยเป็นนะถือจุดึงก็หายไปหมดแล้วเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปที่เราทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับความจริงไม่ได้ว่าต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รัก ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักที่ไม่ชอบเจอคนที่ไม่ชอบนะต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้าง ย, ยอมรับความจริงไม่ได้ก็อยากอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากสุขภาพแข็งแรงอนะวยพรกันอุตลุดเลยตรุจีนทีหนึง่งปีใหม่ทีงก็อวยพรเลยขอให้มีความสุขตลอดปีนะไม่ทันเลยก็ทูกแล้วละ่ะมึงมีไม่ได้อะ ขอให้โชคดีนี่ยิงย่งโง่หนักก็พนะี่ะมีโชคโชคไม่มีไม่มีอะไรที่ฟลุกเลยนะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยพวกเราเคยได้ยินหลวงพ่อพูดไหมว่าโอ้โชคดีจังเลยรวยอะไรเงี้ยไม่เคยพูดเลยคำนี้ทําไมไม่พูดเพราะใจไม่เคยเห็นอย่างนั้นเลยคนจะรวยก็เพราะมีเหตุเขาถึงรวยคนจะสวยเขาก็มีเหตุที่จะสวย เช่นมีเงินเยอะไปเกาหลีบ่อยนะล้วก็สวยถ้ามันมีเหตุนะโชคดีเคราะหดีไม่มีมีแต่ความดีกับความไม่ดีอันนั้นแหละเป็นสมบัติประจำตัวเราอย่างถ้าเราภาวนาตั้งแต่ตอนนี้นะราเกิดไม่ได้มากผลนะหรือได้โสดาได้สักธาคา กลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์อีกนะธรรมะของเก่าเนี่ยมันจะกลับมาอย่างรวดเร็วเลยมันจะกลับมาเวลาที่ชีวิตรู้สึกไม่มั่นคงเช่นตอนตกใจอย่างบางคนเขายิงพลุเปรี้ยงตกใจเนะยเห็นจิตที่ตกใจนะตัวรู้เนี่ยเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าเคยฝึก บางคนเห็นเด็กเล็กๆนะเห็นไ่ไหม้ใกล้ๆบ้านจิตก็หลุดพัวออกมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยทำไมเด็กทั้งหลายไม่เป็นทำไมเด็กคนนี้เป็นเพราะว่าเขาเคยภาวนายุติธรรมเสมอนะธรรมะไม่มีอยุติธรรมธรรมะเนี่ยอยุติธรรมที่สุดเลยถ้าทำถูกนะทำมากก็ได้ผลทำไม่ถูก ไม่ว่าจะทำมากหรือไม่มากก็ไม่ได้ผลทำถูกแล้วทำน้อยก็ได้ผลน้อยอย่างแทนที่จะได้มรรคผลในชีวิตนี้ก็แค่ได้รู้สึกตัวเป็นแทนที่จะบรรู้พระอรหันต์ก็แค่แยกขันได้อะย่างเงี้ยเราทำน้อยขยันหากเทียนเข้าไปสีวันหนึ่งมันก็เป็น การเรียนธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าสอนทางให้เราได้นะธรรมะลักษณะลีลาในการแสดงธรรมของท่านนะท่านบอกของที่ไม่เคยรู้ให้รูนะ้บอกเส้นทางของการปฏิบัติให้เราแล้วก็ชักชวนเรานะให้ปฏิบัติเวลาเราท้อแท้ใจท่านก็เชียรนะ์ให้กำลังใจนะเวลาเราทำผิดท่านก็ตบกระโหลกให้นะ แล้วก็ช่วยได้แค่นี้หน้าที่เดินเป็นหน้าที่ของเราเองท่านชี้ทางให้เดินมันเดินทางนี้นะส่วนจะเดินหรือไม่เดินท่านไม่ว่าหรอกเพราะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเข้าใจโลกแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพะฉะนนบอกให้ส่วนจะไปไม่ไปก็เรื่องของคนนั้นหลวงพ่อก็จำที่พระพุทธเจ้าสอนมาบอกต่อนะตามหน้าที่ ภาวนาแล้วนะวก็มาบอกต่อพวกเราก็มีหน้าที่ภาวนาภาวนาเป็นแล้วก็บอกต่อไปแต่บางคนนะมันพีลึกมากเลยมันภาวนาไม่เป็นนะแต่มันบอกต่อนะพาคนหลงตระเวนเปิดเปิงไปบนาะงทีเขาภาวนาดีนะรถพาเขาเสียอย่างเขาแยกขันได้แล้วเนะี่ยเห็นกายเห็นใ จ, นใจรูปนามแยกกันนะ เขาพร้อมที่เจริญปัญญาแล้วบอกอุยแยกนั้นฟุ้งซ่านทำจิตเป็นหนึ่งไว้ทำจิตว่างไว้เนี่ยกระยาณนามิตพาเราวิบัติเลยเพวกนี้เราไปตรงนน้นเราเขาไม่รู้เขาไม่เคยเจอเขาก็พาเราหลงทางตามเขาี่อีกเวรกรรมของเรานะเพราะเราไปเชื่อคนซึ่งไม่รู้เรื่องจริง ถ้าเราภาวนาถูกเนี่ยใจเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลง น, นั้นด้วยตัวเองเราจะให้คะแนนตัวเองได้ว่าตอนนี้เราเก้าวหน้ามาขนาดไหนแล้วเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อวัดกิเลสตัวเองออกนะว่าปีนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อนเนี้ยดูได้เลยนะดูเลยละเอียดยิบเลย พวกเราพอดูออกไหมสมมติว่าแยกสิบส่วนเนี่ยหมดไปแล้วสักกี่ส่วนดูออกไหมวัดใจนี่เรียกว่าวัดใจนะวัดจริงๆมันดูได้ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะนจะดูออกโอ้ตอนนี้กิเลสลดไปยี่สบเซนแล้วเห็นเลยวัดจากอะไรไม่ใช่วัดจากจำนวนการเกิดนะ แต่วัดจากความรุนแรงที่มันครอบงําจิตถ้ามันเกิดแล้วรู้ทันปั๊บมันดับเนี่ยถ้ามันไม่มีนัยยะอะไรนะไม่มีอิทธิพลเป็นกิเลสที่อ่อนแอมากเลยแต่ถ้ากิเลสเกิดเราไม่เห็นมันครอบงําเราได้อันนี้กิเลสมันเข้มแข็งดีกรีสูงวัดออกไหมตอนนี้นะสึกจิตเถียงเขหน่อย วัดออกเปล่ามีกิเลสเหลือเท่าไหร่เท่าไหรดูซิจะตรงกันไหมไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องเลยถึงครึ่งไหมถึงถูกวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเอง อย่างเราภาวนาไปนะจิตเราห่างโลกออกมาเรื่อยๆไม่ใช่ห่างแบบหนีโลกนะเราก็ยังอยู่กับโลกแหละแต่โลกมันกระเทือนเข้าถึงใจเราได้น้อยลงน้อยลงรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปนะอย่างนี้โลกก็ห่างัมันเห็นด้วยตัวเองมันรู้อยู่ว่าการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนะี่ยทาให้ใจเราค่อยๆถอนตัวออกจากโลก ทีแรกโลกมันดึงดูดแรงนะกว่าจะขยบตัวขึ้นมาได้ทีละนิดเนี่ยยากแต่พอเราฝึกจนชำนาญนนะจิตมันหลุดออกมาแนละ้วมาเป็นคนดูได้แล้วนะแล้วแยกขันออกมาได้นะงานที่เหลือไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไม่ได้ทำอะไรแต่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วก็ชาร์จพลังให้มันเป็นระยะระยะด้วยการทาสมถะถ้าไม่ทำสมถะเลยลเดี๋ยวหมดแรงหล่นลงมา แต่พอจิตมีแรงเลยจิตจะถอนตัวขึ้นมาอีกจิตถอนตัวยังไม่รู้เห็นไหมวินอยู่ชนไม่รู้ได้ตนเอง <laughs> จิตยังติดเพ่งอยู่ถ้ายังติดเพ่งอยู่ไม่ถอนนะยังไม่ถอนหลงไปก็ไม่ถอนมันหลงโลกนะไปเพ่งอยู่มันก็แน่นๆอยู่ มันไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันไม่ถอนตัวขึ้นมานะไม่สอนเขาบ้างหรือกลัวครับสมควรควรกลัควคนที่ควรกลัว <c oughs> เอา้าใครจะส่งเงินบ้านพวกอยู่วัดว่ามากลามนมศการค่ะหลวงพ่อ ว่าไงเอาอีกทีนั่จะได้ครบสามนมัสการมาสองทีแล้วการนมมัสการของหลวงพ่อมีความสุขค่ะก่อนหน้านี้สังเกตไหมว่าจิตติดความสุขดูออกไหมรู้สึกไหมว่าใจเราถูกความสุขยอมได้ตรงนี้ก็เรียกว่าติดโลกนะโลกที่ดีจิตใจมีธรรมะธรรมโมจิตมีความสุขแล้วก็ติดอยู่ อันนี้ก็ยังเรียกว่าติดโลกอยู่นะดูลงไปความสุขนี้ไม่เที่ยงดูลงไปนะไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยได้จริงนะเนี่ยใจมันเริ่มหดลงมาแล้วสลดลงมานะดูลงไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆใช้ได้ไปทำต่ อ, อ, อคนต่อไปรสารณ์ค่ะตื่นเต้นนะคะแล้วก็ คือหนูมาปฏิบัติที่เนี้ยค่ะก็คือเน้นเดินจงกรมนะคะแล้วก็รู้ทันความคิดที่ไหลแต่ว่ามันจะส่วนใหญ่จะจมเข้าไปในความคิดนะคะจิตจมในความคิดก็ดีมองเห็นนะดีที่เห็นนะไปฝึกต่อจิตลงไปอยู่ในโลกของความคิดรู้ทันไปเรื่อยๆจิตจะดดค่อยๆหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริง พอเห็นความเป็นจริงมากเข้ามากเข้าจิตจะปล่อยวางปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายปล่อยกาปล่อยใจไปเราจะได้รับอิสระภาพที่แท้จริงเงั้นนั่นชาวพุทธเราเนี่ยเราภาวนาไปเรื่อยนะเราจะได้รับความสุขที่มหาศาลเลยความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่ยิงอาศัยสิ่งอื่นเราจะมีความเป็นอิสระเพราะเราไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่น คนในโลกนี้ความสุขของคนในโลกนี้ไม่ไม่มีอิสระภาพนะเพราะว่าต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นตลอดอย่างเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องเปเป็นทาสของใครเป็นอิสระดงนั้นสิ่งที่เราได้มาคืออิสระภาพนะที่จิตมันหลุดพ้นเนี่ยเราได้อิสระภาพแล้วเราก็ได้สัมผัสได้ทรงอยู่กับความสุขอันมหาศาลของความเป็นอิสระของการสิ้นกิเลสของการสิ้นความปรุงแต่ง สบายมีความสุขมากความสุขจากสมาธิเป็นของเล็กน้อยนะความสุขของโลกไม่มีหลอกหลอกเลี้ยวไหลไอ้หนูคนแรกที่ส่งกันบ้านน่ะไม่ทำแบบนี้นะนี่คือการถล่าลงไปเพ่งใช้ไม่ได้นะให้ใจมันถอนขึ้นมาอย่าไปจ้องลงไปแรงๆงั้นเอา้าต่อไปอสการ์ครับพ่อ โลกมันก็ยังดูดแรงอยู่ครับบางทีเขารู้สึกว่าโลกมันดูดเราหรือเรามันดูดโลกคู่ครั บ, บโลกมันมาดูดเราไม่ได้แล้วเรากระโจนลงไปหามันเองเป็นโสดอยู่ดีๆไม่ว่าดีไม่เจาไปทำอะไรเราวิ่งไปหาเขาเองพูดไม่ออกเลยบางทีภาบนานะครับหลวงพอ่อ รู้สึกว่าได้อยู่กับกายกับใจบางทีมันก็มีความสุขพุดขึ้นมาแต่บางทีก็รู้ว่าดูอะไรไม่ออกเลยครับมันก็ไปไป ม, มั่วกับสภาวะอย่ยมั่วสิตอนดูไม่ออกก็มาอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจหลักที่สอนได้นะตั้งแต่หลวงปู่มั่นสอนกันสืบทอดมาดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายทำอันที่สามทำสมถะ ทงความสงบพุโทโธพุโทโธไปพะจิตมีกำลังมันั็กลับไปดูได้นะแล้วทาไมอยู่ๆมีความสุขผุดขึ้นมาเพราะจิตมันเป็นผู้รู้นะจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันจะมีเวทนาสองชนิดนนะคือสมนัติเมตนามีความสุขผุดขึ้นก็อุเบกขานะส่วนจิตผู้หลงนะมันจะมีสามัญสุขบ้างทุกบ้างเฉนะยๆบ้างเป็นอุเบกขานะมีทุกข์ด้วย แต่ถ้าเป็นจิตผู้รู้เนี่ยมีเบทธนาสองอันความสุขกับเฉยๆแต่เฉยๆก็เฉยๆแบบอิ่มเอิบนะไม่ใช่เฉยๆแบบแห้งแรงกรรมาฐานตอนนี้ก็เหมาะอยู่ไหมครับหลวงพ่อพี่ติกทำอยู่ครับเหมาะแต่ว่าใจมันยังออกนอกเยอะนะย้อนมาดูในกายในใจให้เยอะกว่านี้มันยังไปข้างนอกเยอะเกินขอบพระคุณครับ สะเทือนใจ hmm? สะเทือนใจสะเทือนรู้ความจริงแล้วสิว่าความรักก็ไม่เที่ยงรู้ว่ารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราใช่ไหม hmm. เริ่มเห็นยังตัวนี้ล่ะตัวของตัวเองอ่ะเป็นไปตัวเราของเรายัางเห็นไหมหรือยังเป็นตัวเราของเราอยู่เป็นครัง้งครั้งอืมหัดดูบ่อยๆนะ ใจที่สะเทือนอันนี้ดีนะอันเนี้ใจมันเขาเรียกว่ามีสังเวชขึ้นมาไม่ใช่เศร้าโศกแต่มันเสะเทือนเท่าถึงใจสังเวชตัวเนี้ไม่ไม่ใช่ภาว่าเศร้าโศกนะเสียใจไม่ใช่มันเสะเทือนดีสเทือนสักบ้างเสะเทือนนี้ตรงข้ามกับอะไรกับซาคิดรู้สึกไหมตรงข้ามกัน ช่วงไหนซานะธรรมะมานี่ไม่เสะเทือนเลยช่วงไหนไม่ซาใจอ่อนน้อมกับธรรมะรองรับธรรมะได้มันสลดสังเวชใจก็เจะหมดแ่งดินรู้สึกไหมมันดิ้นน้อยลงเนื้อที่สลดสังเวชใจลงมาเนี่ยทําให้ใจไม่ดิน้นใจไม่ดิ้นก็สงบมีความตั้งมั่นเรียนรู้ตัวเองไปแ้าใจดิน้นพลัดพลา ด, พ, ดพลัดนะเรียนอะไรไม่ได้ งั้นบางคนหลวงพ่อต้องเทศแบบให้สลดประเภทไม่ยอมสลดนี่นะต้องสัดแรงๆบางทีสัดจุดอ่อนเลยบางทีออไปดูตัวนี้ยังเยอะอยู่ตัวความคิดเห็นเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมีมาตรฐานต้องอย่างนี้คำว่าต้องะมันเยอะเกินไปนะมันทำให้เราปวดหัว นมสการค่ะอตอนนี้เพิ่งให้จิตใจเรียนรู้ตัวเองอะอืโดยการเดินเน้นเดินแล้วก็คอยรู้ว่าเวลาจิตมันหนีไปคิดดีทำหญิงทำเยอะๆเห็นไหมเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดีไปทำเอานะวันนี้ได้แค่นี้นะหลวงพ่อไม่มีเสียงแล้วใครจะถามอยากถามแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้มา ไปถามกับผู้ช่วยสอนนะมีหลายคนอยู่